ใครจะคุยเชิญคนอยู่วัดกับน้ำมาศการหลวงพ่อครับเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าไปประคองตัวผู้รู้กับหลงไปครับมีโมหะก็ไปสังเกตดูก็วันนี้ก็เลยหลุดออกมาครับเพราะคิดว่ามันไปหลงกับไอความสว่างของจิตอยู่ครับออแล้วพอมันมืด ม, มืดลงมันก็ไปดิ้นสแสวงหามันเลยลืมนะหลักครับ เราไม่ได้เอามืดไม่ได้เอาสว่างเอาความจริงเลยลืมหลักมันไปว่าเออมันแค่รู้เฉยๆนะครับแล้วพอไปกินข้าวมาตอนนี้ก็โม่ๆหน่อยนึงก็ช่างมันกเรื่องของมันนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่รู้มันโม่แเรารู้นะไม่ใช่โมวเราไม่รู้เสียดายอยู่วัดนะครับอยากอยู่ต่อสักเดือนเสียดายอยู่วัดอยู่ครับพออยู่เดกลับไปดียกลับไปทํางานอีกแล้วครับอ๋อไปทำงานไปก่อนแล้วก็ ว่าจะไปต่อท้ายครับสักอีกสัก7จ็ดแปดีครับอจะไปต่อท้ายลงรายชื่ออยู่วัดต่อยครับอ๋อไปสิไปถึงถึงตอนนั้นหลวงพ่อยังสอนไหวอยู่ไหมครับหลวงพ่อจะอยู่เปล่าย่าไปรู้เลยเข้าอะไรกันโลกเราอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วก็ได้อาจจะไปมีเมียห้าหคนแล้วไม่อยากอยู่วัดแล้วครับจะปฏิบัติไปเรื่อยๆครับดีแล้วจำหลักให้แม่นนะการภาอนาไม่ยากหรอก เนี่ยตอนวัยอย่างนี้นะวัยทำงานคนในโลกมันไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองคนในโลกอย่างตอนเด็กๆนะมีแรงนะเด็กมีแรงเด็กมีเวลาเยอะแต่เด็กไม่ค่อยมีเงินทำอะไรก็ต้องขอผู้ใหญ่ใช่ไหยไม่อิสระมาถึงวัยอย่างนี้มีแรงนะเงินก็พอหาได้แต่ไม่มีเวลาพอแก่นี่นะมีเงินนะ มีเวลาแต่ไม่มีแรงโลกเนี่ยบกพล่องอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นมันไม่สมอยากหรอกคนในโลกเราภาวนาไปเราไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้แรงอะไรนะภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วไม่เกี่ยวกับเวลาเลยรู้ตัวขึ้นมาก็ใช้ได้ละก็ตอนนี้ก็รู้ตัวขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดนะคะไม่ชัดยังประครองอยู่ค่ะ ที่ไม่ใช่เพราจิตมันมีโมหะดูออกไหมมันมัวมัวค่ะแล้วก็ทำไงดีมันมัว ก, ก็รู้ว่ามันมัวตอบตามสูตรรู้ว่ามัวใจเนี่นะไม่ได้ชอบมันเลยเห็นไหม <c oughs> ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบ <c oughs> นี่ถ้ามาตอบว่ามัวแล้วรู้ว <c oughs> ่ามัวอันนั้นตอบตามสูตรเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศว่าให้รู้ตัวเนี่ยใน3การนะคะ แล้วเมื่อวานหลวงพ่อแนะนำว่ายังไงก็สมควรที่จะให้เดินเป็นหลักนะคะ<ม>ก็ได้ข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อเช้าตอนที่นั่งมันควานหาจริงๆอนะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะควานเ ด, วเดี๋ยวก็ลู่เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกวา่าเดินบ่อยๆค่ะเดินบ่อยๆคะ่ะอ้าว ม, มุกตอนนี้ทั้งกัวงวลทั้งตื่นเต้นแล้วก็ บบังคับไปหร อ, อไปกังวลอะไรนักหน า, ไ ม, าไม่อยากกลับไม่อยากกลับบ้านเสร็จบวชชีไหม <c oughs> อยู่วัดก็ไม่เอาอยากกลับบ้านกไม่อยากนะติดใจแล้วก็หลวงพ่อคือหนูติดอะไรอยู่หรือเปล่าคหนูไม่ติดหรอกนะหนูยต้องขยันดูไปเรื่อยๆติดขี้เกียจหรือเปล่าต ข, ขี้เกียจขยันดูไปเรื่อยๆนะดูสม่าเสมอ ถ้าเรามีอายุตามมาตรฐานเฉลี่ยนะยังมีเวลาอีกเยอะแต่อย่าขี้เกียจเวลาเยอะๆนี่เอาเวลาภาวนาไปเรื่อยๆนะชีวิตเราจะได้พ้นทุกเวลาที่เหลือจะได้มีความสุขเยอะๆเมืองคนไปภาวนาดได้ตอนอายุเยอะแล้วมีเวลามีความสุขนิดเดียวเองนะวันเดี๋ยวพอแก่ลงมานะมันก็สุดโสมไม่แข็งแรงเหมือนตอนนี้ตอนนี้แข็งแรงนะเวลาก็ยังพอมี ภานาไปบนเรื่งคนที่อยู่วัดมีใครอีกไหมที่อยู่วัดอร้ 108. ชื่อไรลืมแล้วพูดใหม่คังไม่ได้ยินเราแก่แล้วรกราบน้ำสกรารหลวงพ่อครับเล็กครับอขอคาเมตตาจากหลวงพ่อครับต้องทำอย่างไรบ้างครับตอนนี้อย่าไปบังคับมันสินะอย่าบังคับดูดูออกไหมย่าไปกดมันไหม ถ้าเราบังคับเนี่ยนะข้อเสียก็คือกายก็จะนิ่งผิดความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งผิดความเป็นจริงเมื่อมันนิ่งนะมันไม่แสดงใจรักณ์ให้ดูมันไม่ควรจะนิ่งกายมันก็ต้องเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตก็เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต้องไม่เที่ยงถ้าเราเพ่งแล้วมันจะเที่ยงเพ่งแล้วมันก็มีความสุขเพ่งแล้วมันเหมือนบังคับได้ไนะอยไปบังคับมันปล่อยปล่อยแล้วรู้ปล่อยแล้วรู้ไปดูเล่นๆไปเล็ก นนบมัตรการพระอาจารย์ครับผมคือวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีโมหะค่อนข้างเยอะเพราะ<ม>ว่าขับรถมาแล้วก็มันมันจะมัวม ว, ม ว, ม ว, มวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะรตัวสําคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลางมีโมหะก็ได้พระอาจารย์จะเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับมีโมหะแล้วรู้ไปนะมีอะไรเกิดขึ้นกับปัจจุบันรู้ไปเท่านั้นเองรู้กายรู้ใจ ลงปัจจุบันแค่นั้นไม่ผิดหรอกไม่พลาดนะการภาวนาทั้งหมดเนาะมันก็มีเท่านั้นเองไปฝึกเอาเอาคนไหนเชจะถามหลวงพ่อนะคนที่ไม่เคยมาแล้วคนไหนอยากถามหลวงพ่อเอ า, อางี้คนที่ไม่เคยถามหลวงพ่อแล้วคนไหนอยากถามหลวงพ่อเชิญยกมือ40นสนมัสการหลวงพ่อค่ะมาเป็นครั้งแรกค่ะ ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าแล้วก็ฝึกมาตลอดนะคะรู้สึกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็ความทุกข์จะอยู่ไกลๆห่างออกไปรู้สึกได้ะคะ่ะวันนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่ า, าที่ฝึกปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะที่ฝึกดีแล้วล่ะนะแต่เราต้องไม่ประมาทน ะ, ะถ้าอารมณ์มันแรงความทุกข์มันแรงเนี่ยเรายังกระเทือนได้อยูนะ่เราต้องฝึกเอา บ, บางทีมันรู้สึกบ่อย มันถี่มากใช่ไหมคะแล้วมันเหมือนกับเราไปเพ่งมันระะหรือเปล่าคะหรือว่ามันรู้สึกตัวได้จริงๆถ้าเราเพ่งนะสังเกต ง, ง่ายๆเลยใจเราจะหนักถ้าเรารู้สบายๆใจจะเบาอย่างขนาดนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมกดมอยู่ด้วยค่ะใจมันจะหนักๆนะพวกเพ่งพวกกดพวกประคองพวกบังคับเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะกลุ่มเข้าไปจัดการอีกพวกหนึ่งคือหลงไปนะถ้ารู้จัก2 อ, อันนี้แล้วก็ภาวนามไม่ยากหรอก ทางสายกลางก็คือไม่หลงไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งเอาไว้เห็นตอนนี้หลงแล้วรู้สึกไหมรู้ค่ะนะไปฝึกเอานะคุณค่ ะ, ะเบอร์3ามกับนวมัสวการหลงพ่อคะ่ะคือหนูนั่งสมาธิแบบสมถะมาตลอดก่อนนั่งก่อนจะทําแบบหลวงพ่อก็คือจะนั่งแบบให้ใจสงบอคะ่ะนั่งแบบสมถะแล้วก็เอาของหลวงพ่อไปใช้เป็นระยะระยะคะ่ะเพราะว่ายังคุ้นกับของเก่าอยู่อยากให้หลวงพ่อช่วยเนี่ยเอาหลวงพ่อไปใช้ทําอะไร เอาวิธีสอนของหลวงพ่อค่ะเขาไปแลหลวงพ่อไปใช้กวาดบ้านเพ่งไว้มันก็ดีนะได้ความสุขความสงบแต่มันไม่เกิดปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจปัญญาเป็นความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราอยากเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราก็ต้องดูว่าจริงๆรงิกายเป็นยังไงใจเป็นยังไง คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเราดูกายดูใจตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะสองอย่างนันหนึ่งหลงไปเผลอไปรู้จักใจลอยอยังรู้จักค่ะเห็นหั้ยขนาดที่ใจลอยเราลืมกายเราลืมใจนึกออกไหมนึกออกค่ะแล้วก็ถ้าเพ่งเอาไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีอะไรให้ดูนะังั้นสิ่งที่ผิดมีสององนเผลอไปกับเพ่งเอาไว้ที่ผ่านมาเราเพ่งมาตลอดแต่ไป น, นี้เราปล่อยให้มันทางานบ้าง ถึงเวลาที่ใจฟุ้งซ่านจริงๆเราก็ทำความสงบเข้ามาแต่พอสงบแล้วนะไม่ให้ติดอยู่ในความสงบให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทำงานบ่อยๆนะอย่างตอนนี้ประคองไว้แล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนะต้องปล่อยนะถ้าปล่อยล้วก็จะเห็นใจรักได้ค่ะเอาเบอร์หกอยู่ข้างหลั ง, า ง, ลง ก, นะการพิมศกมรดกหลวงพว่อค่ะ มาเป็นครั้งที่สองค่ะแต่เพิ่งมีโอกาสส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพอคิดว่าจะมาวัดก็รู้สึกว่าใจมันบานขึ้นมาค่ะอแล้วก็พอกลางคืนก็พลิกตัวตื่นขึ้นมาทีไรก็คิดถึงกันบ้านทุกทีเลยค่ะเหรอเตรียมปั่นกันบ้านเ <laughs> <laughs> มื่อเช้าฟังหลวงพ่อเทศก็รู้สึกว่ามันคิดบ่อยมากเลยค่ะมันหลงคิดตลอดเลยค่ะเดี๋ยวก็ไปไเดี๋ยวก็<ด><ด>ไปภาวนานะก็เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ ความจริงของใจก็คือใจนี่คิดตลอดเวลาใจไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นว่าใจมันคิดตลอดเวลาแวบบแวบบแวบบอันนั้นแหละดีแล้วนะไม่ได้ฝึกให้มันไม่หนีนะแต่ฝึกว่ามันไหลไปแล้วเรารู้ไหลแล้วเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆจิตนะไม่ตั้งมั่นดวออกไหมดูออกค่ะจิตไม่ตั้งมั่นนะไม่ถึงฐานมันนะให้รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องบังคับร30บ ามาทุกครั้งคิดว่าจะถามแต่ก็ไม่ถามค่ะแล้วก็ไม่รู้จะใช้ประโยคคําถามอันไหนที่จะถามหลวงพ่อค่ะก็เลยอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําค่ะจิตขณะนี้เป็นยังไงบอกหลวงพ่อซิตื่นเต้นค่ะมีกฎไหมมีค่ะฟุ้งซ่านดูออกไหมออใจฉลับซ้ายฉลับขวาตลอดดูออกไหม กืไปแล้นะรู้อย่างนี้เขาเป็นนะดูเขาทํางานไปเรื่อยใจไหลไปคิดแล้วทรบาบไหมทราบค่ะนะเนี่ยให้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะไปฝึกเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังข้างหลังกราบนรรรมัสการหลวงพ่อค่ะมาให้หลวงพ่อสอนนะคะ <c oughs> เหรอนึกว่าจะมาสอนหลวงพ่อบ้าง <c oughs> แล้วไงเหมือนดูจิตไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่า <c oughs> โกรธเป็นไหม รู้จักไหมโกรธเป็นไงอ่าค่ะเคยกลัวไหมเคยค่ะเคยกังวลไหมเคยค่ะเคยอิจฉาไหมเคยค่ะเคยเกลียดไหมเคยค่ะเคยคลุ่มใจไหมบ่อยๆค่ะนั่นแหละดูเป็นนะเคยมีความสุขไหมมีความทุกข์เป็นไงรู้จักไหมรู้จักค่ะดีใจเสียใจนะค่ะสารพัดเคยอยากไหมอยากโน่นอยากนี่อยากค่ะเออเห็นไหมดูเป็นแล้วแหละอ่ การดูจิตไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่การไปนั่งจ้องจิตการดูจิตที่แท้จริงนั้นก็คือการที่คอยรู้ทันไปคอยตามรู้ไปว่าจิตใจของเราตอนนี้เป็นยังไงจิตใจกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตดีจิตร้ายจิตสุขจิตทุกคอยตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ไปบังคับมันนะแค่นั้นแหละเรียกว่าดูจิตนะจะไปยากอะไรเด็กก็เป็นนะ ถ้าเด็กๆมานะบางทีหลวงพ่อเรียกให้มันบรรยายธรรมะให้ฟังน่าฟังเด็กเวลาพูดธรรมะน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบไปแต่งมาเอาเบอร์ 7-8 อาว่าไปประการหลวงพ่อค่ะเคยไปปฏิบัติแบบพิจรารณาเวทนามาแล้วเกิดสภาวะความกลัวเหมือนกับว่าจะทนอยู่ไม่ได้เลยไม่ทราบว่า ควรจะปฏิบัติแบบนั้นอยู่หรือไม่แล้วก็ไม่ทราบว่าถ้ า, ถา <c oughs> จะทําเวทนาต้องทําฌานก่อนนะต้องทําจิตจนจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งจริงๆถ้าไม่ได้ทําฌานไว้ก่อนเนี่ยจะดูกายและเวทนาได้ไม่ดีเพราะกายและเวทนาเนี่ยเหมาะ ก, กับสมถะญาณิกถ้าอยู่ๆไปนั่งดูเวทนาเลยไม่ได้กินออกใจจะฟุง้งซ่านนะเมื่อเราต้องดูก่อนเ ร, าเร า, ร า, าเราทำสมถะได้ไหมถ้าเราทําสมถะได้เราทําความสงบเข้ามาจนใจเราตั้งมั่น เราจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่ถ้าแยกกันอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่กังวลไม่กลัวไม่อะไรหรอกต่างคนต่างทำงานร่างกายก็ไม่ได้เจ็บนะจิตก็ไม่ได้เจ็บเวทนาคือความเจ็บปวดทั้งหลายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาเท่านั้ น, นจะแยกออกไปแต่ถ้าเราทาชานไม่ได้ให้ดูจิตไปเลยเพราะว่าจิตตานุปัสสนามาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนทาชาญไม่ได้ แล้วดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยทําไมจะดูจิตไม่ให้ไปทําฌานก่อนถ้าทําฌานก่อนนะจิตจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรให้ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูในจิตของมนุษย์ธรรมดานี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรามีส ต, ติตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่ถ้าไปเพ่งทําความสงบเข้ามานะจิตไม่เคลื่อนไหวดูยาก เพราะันถ้าหากทำสมถะไม่เป็นนะทำไม่ได้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆพอดูไปชำนาญต่อไปก็ดูเวทนาได้ดูกายได้ทางเดินมีหลายทางเลือกทางที่เหมาะกับตัวเราถ้าดูเวทนาอยากดูเวทนามากสังเกตไปเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆสังเกตอย่างนี้ค่อยๆแยกจิตกับเวทนาออกจากกันแล้วสังเกตไหมเวทนากับ ก, กายก็เป็นคนละส่วนกัน กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่แอบเข้ามาอยู่ในกายเวทนาไม่ใช่ร่างกายเนะนี่ต้องค่อยๆหัดแยกกันค่อยๆสังเกตเอาก่อนนะถ้าแยกได้ก็พอจะเดินต่อได้เพราะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ใจแอบไปคิดทราบไหมทราบค่ะของคุณนะดูจิตไฟของคุณดูจิตได้ชัดวัยนยะี่สิบกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ เมื่อเดือนที่แล้วก็อยากจะส่งกันบ้านมากค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสก็คือสังเกตว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีความตั้งใจปฏิบัติค่ะแล้วก็ดูออกไม่จิตเราเปลี่ยนไปช่วงหลังนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยใจมันตื่นขึ้นมาละหนูไม่แน่ใจว่าอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยเรียกว่ามันเพ่งเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าก็จะดูหนักหนักนะคะถ้าหนักก็เพ่งนั่นแหละถ้าเป็นธรรมชาติธรรมดานะโล่งโปร่งเบาสบาย ก็ใช้ได้ค่ะพอเออมือม่อเมื่อสองาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะคะ่ะก็มีความสุขก็รู้สึกว่าจิตใจเบาสบายขึ้นก็รูเ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเบาๆอย่างเช่นคุณแม่หลงไปก็รู้เบาๆไม่ได้กังวลลูกชายหลงไปอีกคนนึงก็รู้เบาๆอะไรเงี้ยค่ะหลงทางไหนหลงทางจิตหรือหลงทางร่างกายเขาเขา เดินอยู่ในในงานเทศกาลนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลงมีอยู่ในผงฝุ่แม่กับลูกเราหลงไปคำจริงเราหลงกัสิแม่กับลูกเขาไปด้วยกันเข้าเสียงข้างมากเนี่ยก็หลงกันหมดเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าการการที่บางทีเรามีความสุขหรือว่ามีภารกิจให้ให้เราได้จิตใจได้ทำอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ที่หลวงพ่อบอกอยังไม่ต้องก้มหน้าก้มตาภาวนางุศงุศแเครียดนะไม่เห็นอะไรหรอก ความสุขนะทําให้เกิดสมาธนะิความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะพระอภิธรรมสอนไว้เงี้ยงั้นถ้าเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะใจเราก็จะสงบใจสงบแล้วเราก็คอยรู้เอาเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงเน้ดูง่ายแต่ว่าความสุขอันนั้นต้องเป็นความสุขที่ไม่ผิดศีลนะถ้ามีความสุขก็ได้ด่าคนทุกวันมีความสุขมากเนี้ยจิตไม่สงบ ต้งเป็นความสุขที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมยังไปทัศนาจรไม่ผิดศีลอะไรเป็นค า, า, ารวะนะไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขแล้วก็เราเคยฝึกสติมาแล้วใจมันก็ทํางานแล้วก็คอยรู้คอยเห็นเอาที่พรอนาใช้ได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มเพ่งและวดูออกไหมค่ะนะไปฝึกเอานะจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางดีใช้ได้ละกลับขอบพระคุณค่ะเบอร์หนึน้อยเ <100. S 2> อ, อ่อประธานโทษค่ะมีอะไรที่หนูจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมไม่แก้ น, นนะฝึกไปเรื่อย แล้วก็มีโอกาสก็ไปเดินจงกรมเล่นเดินจงกรมเล่นนะมีคำว่าเล่นด้วยไม่ใช่เดินจริงจังอีเครียดเอาหน sure. ึ่งเชิญหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมีอยู่ช่วงหนึ่งดูแล้วมันนิ่งแบบไม่มีอะไรจะดูแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันสันๆอยู่นิดนิดแล้วก็ตหลังก็แบบไม่มีอะไรดูก็เลยร้องเพลงลเจ้าค่ะ <c oughs> ร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงเจ้าแล้วก็หลงไปหลงซี่ไปเรียนร้องเพลงก็หลงซี่แล้วก็ตอนหลังก็คือพอรู้ว่าจะมากราบพระจารย์นะเจ้าค่ะก็บอกว่าร้องไปดูจิตดูไปตามดูไปเจ้าค่ะแล้วก็พอร้องเนี่ยตามดูไปก็จะอินไปกับเพลงแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะตื่นขึ้นมาพอร้องใกล้จะจบประโยคก็จะเหมือนตื่นนอนขึ้นมานะค่ะตอนหลังดีนะยังดีไม่ใช่จนจะจบเพลงแล้วค่อยตื่น มันจะใกล้ๆแต่จบประโยคอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้ตอนหลังเนี่ยเออมันก็เหมือนตั้งใจจะตื่นเป็นสมถะใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าตั้งใจตื่นใช้ไม่ได้ละโลภะมันแทรกล้ไม่ตื่นหรอกค่ะนะแล้วก็ตอนหลังจากนั้นอีกก็จะรู้สึกว่าตื่นเพราะว่ามีกระแสความคิดเข้ามาแทรกฉะนั้นใช้ได้ไปร้องเพลงอีกเรร้ <c oughs> องเพลงแล้วใจหลงไปเรารู้ใจหลงไปรู้อย่างนี้บ่อยๆนะ ต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอใจเราหลงไปเนื้สติมันเกิดเองแหละแล้วก็ตอนหลังพอดูอความอยากร้องเพลงมันก็จะความการอารมณ์มันก็จะเบาบางเป็นจืดไปเลยเจ้าค<ช>นะเนนาดูอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆเอาต่อไปยกมือเอาพวกข้างหน้าก่อน43 4สาสสมเชิญขอหลวงพ่อช่วยตักเตือนหน่อยครับตักเตือนเหรอ อย่าขี้เกียจนะถือศีลไว้ให้ดีๆอย่าขี้กเกียจขี้ครลางมีสติบ่อยๆขยันภาวนาเตือนแล้วยังครับอแล้วมีตัวไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้บ้างจงาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราสํารวจเรานะสํารวจใจเรากุศลอะไรเรายังไม่ได้ทํานะอกุศลอะไรเรายังไม่ได้ละขณะนี้อกุศลดเกิดขึ้นในจิตเราค่อยรู้ทันขณะนี้กุศลใดเกิดขึ้นมาเราคอยรู้ทันนะ เรารู้อยู่ที่ใจเราอย่างบ่อยๆไปฝึกไปเรื่อยนะรี่พอนานก็ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละขอบคุณครับร้อยสี่สตอนนี้หนูกดตัวเองอยู่ค่ะเพ่งอยู่ใช่แต่ว่าช่วงหลังหนูไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานละแต่ว่าหนูว่าหนูเริ่มปฏิบัติได้ดีขึ้นถูกต้องแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้ว่าตัวเองเพ่งแล้วก็เผลอได้มากขึ้นอืม เห็นไหมมันสบายขึ้นใช่ค่ะสบายขึ้นแต่ว่าหนูปฏิบัติมา2อปีกว่าแล้วหนูไม่เคยถามหลวงพ่อเลยว่าหนูตื่นหรือยังคะก็ ต, ตื่นนั่นแหละเพิ่งมาตื่นหลังๆนี้นะก่อนหน้านั้นมันเพ่งเพ่งอยู่ไม่ตื่นหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วตอนนี้หนูยังอยู่ในร่องไหนร้อยไหมคะอยู่4ดีขึ้นละนะเบอร<ม>์สิอยู่ข้างหน้า18อยู่ข้างหน้ากราบหลวงพ่อครับตื่นเต้นอยู่นิดใหม่ครับ มีโมหาแทรกอยู่นะครับแล้วก็กระจายบ้างนะครับปรคองไว้ครับเท่าที่ดูตอนนี้คือสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตสังเกตเลยนะการเคลื่อนไหวของจิตครับหลวงพ่อเวลาที่จิตมันเคลื่อนไหวไปตามทวารต่างๆอายตนะต่างๆแล้วก็ดูกายที่เคลื่อนไหวก็ดูเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นมันไหวไปแล้วดึงคืนไหมไม่ครับอต้องไม่ดึงนะก็คือปล่อยมันไปตามธรรมชาติก็แค่ดูมันไปเรื่อยๆถ้าไม่มันเกิดที่ตามันก็ดับที่ตาครับ เกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจดูอย่างนี้แหละดีแล้วล่ะจิตของคุณมันเริ่มขึ้นไม่ปัสสนาแล้วนะคุณเห็นไหมจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งมีช่องว่างมาคั้นนะยังไม่เห็นครับหลวงพ่อมันเห็นว่ามันมีการเกิดดับอยู่ตลอดตลอดเวลาอืมดูไปครับมันโครานดูออกยังโดดออกนั่นแหละที่หลวงพ่อว่ามีช่องว่างมาคั้นนะคือมันโครานมันเห็นมันเคลียร์คัดออกกันโคนราณ จิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อีกดวงโคลานครับ น, นี่มันเกิดดับดีแล้วเคยเรียนอภิธรรมมาตั้ง78ปีไม่เคยเข้าใจสภาวะธรรมเลยไม่ไม่เข้าใจหรอกมาเรียกหลวงพ่อได้ปีหนึ่งถึงจะรู้ว่าพิธรรมจริงๆเป็นอย่างไรที่หลวงพ่อสอนนั่นคือตัวอภิธรรมแล้วอภิธรรมแท้ๆเลยตอนหมดนะเรื่องจิตเจริญสิกรูปนิพานเรื่องของสภาวะใช่ไม้มเรื่องวิถีครับเรื่องอะไรเหือสมถะวิปัสนา เรื่องปัจจัยการสอนหมดเลยดังนั้นที่เราภาวนาอยู่นี่เรื่องอริธรรมทั้งนั้นหลวงพ่อครับที่นี้ตัววิธีจิตเนี่ยจิตที่มันเกิดขึ้นดับไปเช่นพวกสัมปติชันนาสันติระนาอะไรพวกนั้นเนี่ยการที่เราจะเห็นมัาจะเห็นมันเองใช่ไหมครับเห็นเองนะเห็นได้เห็นเลยเห็นกระบวนการเลยอย่างตามองเห็นรูปนี่นะมันจะรับสัญญาณกันแล้วมันจะส่งมาที่จิตรับก่อนนะแล้วส่งับมีการรับการส่งจริงๆส่งสัญญาณครับ ส่สัญญาณขึ้นมาแล้วจิตจะไปพิจารณาแล้วไปตัดสินแล้วก็เกิดชวนาจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเกิดตาารามานาจริงๆจะเห็นกระบวนการเลยคนที่เห็นได้นี่เยอะแยะละแต่ว่าเขาพูดไม่เป็นเขาเรียกชื่อไม่ถูกเท่านั้นเองต้องเห็นนั่นแหละแต่ขึ้นวิถีก็ไม่ใช่ว่าตามมองเห็นรูปแล้วจะต้องขึ้นถึงจิตทุกทีใช่ไหมบางรูปก็กระทบที่ตาแล้วก็จบไปเลยครับบางรูปแค่ไหวขึ้นทางมโนทวานแล้วก็ดับไปเลยครับ บางบางบางวิถีไม่ไม่ขึ้นวิถีบางบางช่วงน่ะจิตทํางานขึ้นทางมโนทวารล้วก็ดับไม่ขึ้นวิถีก็มีขึ้นวิถีแล้วขึ้นทางปัญจทวารก็มีขึ้นโดยตรงทางมโนทวารก็มีครับขึ้นจากปัญจทวารแล้วต่อกับมโนทวารก็มีอีก enta, มีอีกสารพัดเลยครับเ <glam. S 2> วลาตื่นกับเวลาหลับก็ขึ้นวิถีคล้ายๆกันครับหนอให้บอกทีเวลาที่เราเห็นเนี่ย เรารู้อยู่ในการที่เคยศึกษาวิธรรมมาถ้าเห็นพุ๊เราเป็นเป็นบรรจัญญตเนี่ยเราก็รู้ว่าคือเราคิดแล้วก็รู้ว่าจิตจิตทีนี้ถ้าเราไปแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราไปจงใจอย่างนั้นไม่ไม่ครับ ห, หลงพ่อรู้ทันว่าจิตมันคิดแค่นั้นพอละครับนะคนอาจารย์พภิธรรมมาเรียนอหลวงพ่อก็มีนะเรียนแล้วก็พูดเหมือนคุณนั่นแหละบเรียนมาตั้งนานไม่เคยเห็นเลยแต่พอเห็นแนละถ้าไปเรียนอภิธรรมนะี่นจะเรียนง่ายเลยเพราะมันเห็นละตอนนี้ง่ายแต่ว่าไม่อยากไปจับแล้วครับหลวงพ่อมันฟุ้งซ่านในธรรมทิ้งไปก่อน เพราะว่าเรียนมากแล้วมันจะไปคิดนำนะดูของจริงหลวงพ่อตอนฟ อ, อนามให้เรียนอภิธรรมนะเรียนจากของจ ร, ริงสภาวะแท้เลยพอเข้าใจแล้วเนี่ยถึงไปเทียบกับอภิธรรมดูเพื่อจะหาบัญญัติมาใช้รเรียนอภิธรรมเพื่อจะสองอย่างหนะ้าหนึ่งทดสอบนะปริยัติกับปฏิบัติต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกัน เ, นเพี้ยนละแต่ต้องระวังนิดหนึ่งปริยัตที่เฟอร์ไปมีครับปริยัติที่เพี้ยนเพี้ยนมีนะอย่างเรื่องภูมิจัตุกะเนี่ยมีเพี้ยนเต็มเลย ははเหรียนหนึ่งออกใช่ไหมดินหนาเท่านี้หินหนาเท่านี้ชั้นน้ําเท่านี้ชั้นลมเท่านี้นะครับสวรรค์ชั้นนี้ห่างกับชั้นนี้เท่า น, นี้โยอดเท่า น, นี้ยดไอ้นี่คิดขึ้นมาเลยเระพได้เจ้าไม่ได้สอนหรอกครับแล้วในความเป็นจริงเวลาจิตจะข้ามจากภูมิหนึ่งไปภูมิหนึ่งนี่นะไม่ได้มีระยะทางว่าจิตวิ่งไป2อ0 0 0นสี่หมยอดทะลุไปภูมินี้ภูมินี้เมื่อไหร่ล่ะมั่วขึ้นมาเองเลยนั่นแหละพวกโรคแบน นั้นเรียนต้าเรียนให้ดีนะเพราะคาสอนดั้งเดิมเนี่ยใช้ได้เป๊ะๆเลยคําสอนที่แต่งขึ้นที่หลังเนี่ยเพี้ยนเยอะเลยคขอบคุณไปฝึกแล้วนะฝึกแล้วอยยี่สการนวัตการหลวงพ่อค่ะก็มาเรียนกับหลวงพ่อได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะคะสังเกตไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมมันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นมันสว่างขึ้นมาคะน แล้วก็แล้วก็จะเห็นที่ความความเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกอะค่ะจะเป็นช่วงๆแล้วก็จะเป็นเป็นได้บ่อยมากค่ะจะเห็นวงจรเยอะมากแต่ก่อนหลวงพ่อภาวนานนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจเจริญแล้วเสื่อมหนึ่งรอบบางคนยาววันนี้บางคนสั้นกว่านี้ <c oughs> แต่พอเราภาวนาชํานาญเราเห็นเลยจเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> นะอันไหนเกิดอันนั้นก็ดับเพราเรียกว่าจเจริญแล้วก็เสือเส่อมเลย อ๋อค่ะไม่ทราบว่าการที่เสื่อมนี้เพราะว่าเราย่อหย่อนไปหรือเป็นธรรมชาติะะเป็นปกติแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างนะั้นเราต้องปฏิบัติสม่ําเสมอ <c oughs> ตัเนี้ตัวสําคัญมากถ้าหากช่วงไหนเราปฏิบัติแนละ้วก็เจริญแล้วเราขี้เกียจไม่ปฏิบัติแล้วเสื่อมเราจะรู้สึกเกิดความรู้สึกผิ ด, ผด <c oughs> เห็นผิดว่าที่เสื่อมเพราะฉั้นไม่ได้ปฏิบัติถ้าชั้นปฏิบัติมันก็จะดีไปตลอด <c oughs> แต่ถ้าเราทําสม่ําเสมอทุกวันนะทุกวันทําเรื่อยๆเหมือนกันทุกวันเลย เจริญบ้างเสื่อมบ้างเราจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยจะเห็นความจริงก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเว้นวักไม่ได้ต้องทําทุกวันค่ะทีนี้บางวันนี้ก็จะรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ดีนะคะคือรู้สึกตัวเองแล้วบางวันก็ไม่แทบไม่รู้สึกตัวเลยเวลาที่ไปดูตเองบางวันก็เหมือนพอน้ไม่เป็นเลยใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นทุกคนเหมือนกับว่า เพราะว่าตอนถ้าเกิดได้ฟังซีดีของหลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าช่วยเตือนสติด้วยก็วันนั้นก็จะรู้ตัวได้ดีเยอะอะค่ะแต่ถ้าวันไหนที่ออกไปอยู่ข้างนอกไปทําธุระไปอยู่กับโลกนี่มันเกือบจะทั้งวันเลยต้องมาเย็นถึงจะแบบพ อ, อจะรู้ได้นั่นแหละฝึกของเรานะมีวินัยในตัวเองทุกวันแบ่งเวลาไว้ภาวนา <c oughs> ในรูปแบบ <c oughs> นั่นสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยทำทุกวัน <c oughs> จะทําให้เรามีแรง <c oughs> ทีนี้ไม่ทราบว่าอย่างตัวเองที่เดินจงกรมนี่จะใช้ได้ไหมคะ จะใช้วิธีนี้ได้เดินของคนเดินแล้วมันจะบังคับตัวเองแรงไปไปหางานทำดีกว่ากวาดบ้านถูบ้านแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานอะไรยเงี้ยนะทำงานดีกว่างนรบกวนของพ่อถามอีกอย่างหนึ่งนะคะคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจคำว่าฟ้งกระจายแล้วไม่ตั้งมั่นเนี่ยถูกหรือเปล่าอยากให้หลวงพ่อช่วยถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมคะเบอร์เจขอบคุณค่ะธรรมสการเจ้าค่ะ มีโมหะเจ้าค่ะแล้วก็ฟูงลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะเออถูกออสองเดือนที่ผ่านมาไปยังบอกไม่หมดนะยังมีการประคองไว้กดเอาไว้ด้วยใช่เจ้าค่ะออมีกดโดยเห็นตอนที่มันตื่นเต้นฟึบขึ้นมาแล้วกดอัตโนมัติเให้รู้เฉยๆว่าไปกดเท่าแล้วเจ้าค่ะนะเมื่อสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อกรุณาชี้ให้ว่าติดประคองตัวรู้เจ้าค่ะไม่ทราบยังเลยดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมล่ะใ่มันปรุง ถ้าประคองไว้ใจมันไม่โปรงเจ้าค่ะแล้วก็สองเดือนที่ผ่านมามี2ตัวที่มันเด่นะนะเจ้าค่ะก็คือตัวอัตตาหนูเห็นมันเยอะมากจนจนเห็นกระทั่งว่ามันอะไรอาวรในในกิเลสในวัฏสงสารแต่ว่ามันก็ดูสนุกมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็โดนมันหลอกด้วยเจ้าค่ะนั่นแหละผลัดกันนะโดนมันหลอกมั่งสู้มันได้บ้างแล้วหลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ก็ไปเห็นหนูเห็นหลวงพ่อชี้ให้ดูตัว ไม่เป็นกลางมาประมาณตั้งแต่ 7-8 เดือนที่แล้วนะเจ้าค่ะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นแต่ตัวใหญ่ๆหยาบๆแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยไปไปเห็นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าความไม่เป็นกลางอันนี้นี่เองมันเป็นฐานของความเป็นเราอะเจ้าค่ะใช่แล้วก็ แล้วก็ใจมันก็สะเทือนแล้วมันก็เศร้าๆแล้วก็ ห, หลังจากนั้นมันจะเริ่มเห็นตัวไม่เป็นกลางที่ บ, งบางๆได้บ่อยขึ้นนะเจ้าค่ะก็ดีนะภาวนาใช้ได้ล้วเาค่ะมีสิ่งใดเจ้ากระโดนตักเตือนดูต่อไปอทำถูกต้องแล้วขอบคุณเจ้าค่ะ1 3 7่งสาะานอาวไปคือไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณเกือบ4เดือนนะครับหลวงพ่อ มันก็มีขึ้นขึ้นลงๆแต่ว่าโดยโดยรู้สึกไหมว่าเราดันจิตเราขึ้นมานหนึ่งละมันอัพขึ้นมานมนหนึ่งมันอัพขึ้มาน ะ, ะให้เรารู้ทันแล้วไงโดยโดยเทรน์แล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นตรงที่ว่ามันค่อนข้างมีความตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็มีโมหะแบบเฉลี่ยน้อยลงอะครับหลวงพ่อครับอแล้วก็ที่นั่งอยู่นี้มันไปเห็นสภาวะหนึ่งว่าจิตมันมันคล้ายเสื้อพี่คนนี้ครับหลวงพ่อครับ คือมันจะมีเล็กๆอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นความรู้สึกตัวอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้มันหมุนเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องว่างเสร็จแล้วก็จะมีเปลือกหนาๆสีขาวนี่มันเหมือนอะคริลิกซึ่งมันขุนๆจะว่าขุนก็ไม่เชิงครับผมว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใสอแล้วมันก็มันก็ไอ้เนื้อเนี่ยมันมีขณะนี้มันมีสภาวะที่มันนวลนวลแววแอยู่ครับมันเห็นอะไรไม่สําคัญหรอกครับมันสําคัญที่ว่าเมื่อไปรู้แล้วจิตเราเป็นยังไง ใช่ไหมเราไปเห็นละเอียดละอวและจิตละภูมิใจถ้าเราไม่เห็นว่าภูมิใจนี้เสียท่าล้ครับนะนั้นไปรู้ไปเห็นอะไรไม่สําคัญหรอกแต่ว่าเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจิตเราเป็นยังไงให้รู้ทันนะจับหลักนี้นะครับหลวงพ่อผมอยากอขอความรู้เกี่ยวกับการละพุทธภูมิครับหลวงพ่อครับการละพุทธภูมิทําไมเราเราเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์หรอคือผ ม, มไม่ไม่ทราบหรอกครับหลวงพ่อครับเพียงแต่ว่า มันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ซึ่งทําให้ผมมันรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามันเคยปรารถนาพุทธภูมิมาหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าในเมื่อจิตมันไม่ใช่เราถ้าถึงเวลาเนี่ยคือความเป็นเราปัจจุบันเนี่ยมันไม่อยากไปไกลแล้วครับหลวงพ่อครับแต่ว่าคือความรู้ความรู้ที่ว่าจิตมันไม่ใช่เราถ้าถึงเวลาเนี่ยจิตมันมันไม่เลือกคือคือเราเนี่ไม่อยากคือ ไม่อยากเดินทางนั้นนะครับแต่ถ้าถึงเวลาจิตมันไม่ยอมมันกังวลตรงนี้ครับอย่าไปกังวลดูกับปัจจุบันไปนะเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองนะเห็นทุกข์มากๆเข้ามันก็เลิกไปเองลงมือจเจริญสติมากๆพอมันรู้ว่ามีทางรอดนะมันจะเอาตัวรอดแล้วลึกลงไปที่สุดมันยังรักตัวเองอย่างแรงรู้สึกหมพระโพธิสัตว์ต้องไปรักตัวเองขนาดนั้นหกนะ กลาวธรรมสการ์ค่ะหลวงพ่อก็หนูก็เออก็คอยตามรู้ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อยากจะกบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเห็นกิเลสบ่อยไมบ่อยค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะเห็นแล้วทำยังไงกับมันก็บางทีมันก็ดูเฉยเไปได้งี้ค่ะอะไรนะก็ดูแบบดูเฉยเไปได้งี้ค่ะไม่ได้ได้อ๋อได้ก็ดูเฉยยไป ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่เฉยก็รู้ว่ามันไม่เฉยนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นค่ะแล้วหนูที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วล่วะไปขยันดูน ะ, ะดูไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปแทรกแซงมัน<ะ>ก่อนจะดูอย่าอยากนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอเวลาจะดูรู้สึกไห้จิตยังชับถลําลงไปดู<ะ>ให้รู้ทันจิตที่ถลําไปน ะ, ะขอบคุณค่ะ หนึ่งสาอยู่ที่ไหนกับนมัดการหลวงพ่อจะ้ะค่ะมากับหลวงพ่อครั้งที่สี่สามครั้งที่ผ่านมาตัวเองยังหน่วงในจิตยังหนักในกายมากอะไรนะตัวเองยังยังหน่วงในจิตตัวเองอแล้วก็ยังหนักที่กายมากออแต่มาอรอบนี้รู้สึกตัวเองเบา เบากายเบาใจประเดิมมากมันคลายออกแล้วค่ะแล้วใส่ฟังธรรมนี่แหละแล้วก็เคยทรมานปวดกระดูกที่คอเนี่ยมันก็หายมันก็เบาหายไปเจ้าค่ะที่มันปวดเพราะเราภาวนาแล้วเราเคร่งเครียดมันเลยปวดขึ้นมาแต่ตอนนี้เบาเบาดีเลยแต่เราไม่ได้ไปเพ่งให้มันเครียดนะถ้าภาวนาผิดมันเครียดนะแถวคอแถวไหล่แถวอะไรเนี่ยทรมาน ก็อยากจะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อไปปฏิบัติต่อที่ยอมอยู่ทาอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะใช้ได้ไปทำต่อเออเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะหนึ่งอยู่ที่ไหนอยู่กลางห้องเออไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะหลวงพอ่อแล้วว่าไงอ่ะเป็นไงอ่ะก็บอกมาซิสภาวะขณะนี้เป็นยังไงตื่นเต้นค่ะเออกดเอาไวด้ด อ, อกไหม รู้สึกไหมมีความนิ่งนิ่งอยู่เออเนี่ยตัวเนี้ยเราจงใจกดอยู่ให้รู้ทันการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติจริงๆก็คือการคอยรู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏอยู่นี่สภาวะที่กาลังปรากฏตอนนี้เช่นมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นมันนิ่งนิ่งน ะ, ะรู้ว่านิ่งนิ่งเพราะอะไรนิ่งเพราะไปกดไวนะ้เวลากดไว้ใจมันจะไม่โปง่งเห็นแน่นแนะ่นเพราะฉะนั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันตามรู้ลูกเดียวเลยไม่ผิดหรอก แล้วที่ปฏิบัติอยู่ใช่ได้แล้วต้องต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิไหมคะทําได้ก็ทํานะแต่อย่าทําแล้วบังคับใจให้นิ่งส่วนมากชอบไปนั่งสมาธิแล้วเพ่งให้นิ่งๆ ง, งั้นไม่ดี<ะ>นั่งดูกายนั่งดูใจเดินดูกายเดินดูใจจําประโยคนี้ไว้นะนั่ง<ะ>ดูกายนั่งดูใจเดินดูกายเดินดูใจไม่ใช่นั่งบังคับกายบังคับใจ บางทีเป็นเพราะคิดคิดคำเนี้ยค่ะแล้วมันเลยเหมือนว่าเราไปบังคับมัน อ, อให้รู้ทันว่าไปบังคับแล้วหลงไปคิดก็รู้ไปบังคับไว้ก็รู้น ะ, ะรู้ลูกเดียวเลยแต่ที่ทําอยู่นี่ใช้ได้ใช่ไหมดีมขึ้นละสี่เก้านวัศการครับหลวงพ่อที่ที่หลวงพ่อสอนเกี่ยวกับจอหนังนะครับกับเครื่องฉายนะฮะผมก็เลยลองดูครับก็ดูไปเรื่อ ย, อยมันมันสั้นลงเรื่อยๆ คือเวลาที่มันฉายเงาขึ้นมานะฮะก็ดูแล้วมันสั้นลงจนกระทั่งเหมือนกับอะไรไหวๆออกมาเออนั่นแหละหแต่ไหวๆนะไหววับๆไปนะสติกระทบก็ขาดหมดครับแล้วมันมาอยู่ตรงหน้านี่มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรไหวแล้วอแล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับยุบยับมันไม่เชิงยุบยับนะฮะมันมันอยู่เหมือนเตียงน้ํานะฮะอืเตียงน้ําที่ ที่เรานนนอลงไปมัเวลารู้นะตรงนี้อย่าถลําลงไปรู้รที่รู้ยังมีการถลํารู้อยู่นะรู้แบบสบายๆอย่าให้ถลําลงไปรู้ค่ะผมแล้วเวลาที่จอหนังผมสงสัยอยู่ว่าเวลาที่เราเกิดเกิดจอหนังเป็นครูบาอาจารย์นะฮะอย่างอย่างเกิดจอหนังเป็นลหลวงพ่อหรือว่าเป็นพระอาจารย์อาเป็นเป็นแม่ชียอย่างเนี้ยฮะดูลงมาแล้วมันมันไม่หายไปครับ ไม่หายก็เรื่องมันนี่เราไม่ได้ดูให้มันหายเนี่ยครับเราอย่า ก, กระโดดเข้าไปในจอเท่านั้นแหละอ๋อครับแลนะ้ว<ม>ดูอยู่ห่างๆหมดเรื่องนี้มันก็ฉายเรื่องอื่นเจนะ<ม>จนกระทั่งฉายเหลือยุบยุบยิบยิบอยู่ยนั่นแหละแล้วก็ปลุงขึ้นมาแล้วไอ้ที่ที่มันใสใสคล้ายๆคล้ายกับอะไรหุ้มหนังสือนะฮะคล้<อ>ายๆกระดาษปฏิหุ้มหนังสือคร่ะ ดูไปมันก็ไม่หายมันเป็นจอหนังเหมือนกันใช่ไหมไม่หายนะตัวนั้นไม่หายตัวนั้นมันจะขาดแต่ละครั้งนะตอนที่เกิดอริยมรรคตอนที่ยังไม่ได้เกิดอริยมรรคไม่ขาดถ้าเกิดมรรคครั้งที่1ครั้งที่2อครั้งที่สนะจะขาดแวบเดียวแล้วกลับมาปิดใหม่ไม่หายหรอกอ๋อแล้วครับไม่ต้องไปเกลียดมันนะไม่หายแต่พอไปเห็นมันแล้วจะอึดอัดเหมือนสูกห่อไว้ครับผม ม, มันเหมือนกับว่ามีความอยากรู้บ้างมีความสงสัยบ้างปนกันครับแล้วมันก็กนรูปคำอยู่ตรงนั้นนะฮะ ม, มันล่ามไม่ได้ตัวนั้นที่หลวงพ่อสอนให้ใหดูเสียงภาพประธานนะครับผมฝึกอยู่ปีก่อๆครับผมเห็นได้แล้วครับเห็นอะไรวันนั้นเห็นเห็นจิตตัวเองเคลื่อนไปเกาะที่มือหลวงพ่อครับวันที่ผมลดสงฆาหลวงพ่อครับ นั่นแหละดีแล้วรู้จิตเราวิ่งตลอดเวลาแต่ว่าเห็นมันไหลไปแล้วอย่าดึงคืนนะแค่รู้ว่ามันไหลถ้าดึงแล้วใจจะแน่นๆน่นแล้วใช้ไม่ได้ละมันแค่แวบเดียวเองแล้วมันก็ไหลไปอีกไปดูอันใหม่ดูอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่เราเห็นด้วยตาแล้วมันหยิบเข้ามาที่ใจนะฮะก็ดูไปบางวิถีที่หลวงพ่อพูดตะเคี้ยเริ่มที่ตาแล้วมันก็เข้ามาที่ใจคบางทีก็เริ่มที่หูแล้วก็มาที่ใจก็มีนะ ก็รู้เอารู้ลงปัจจุบันไปครับผมการบ้านในในในช่วงที่หลวงพ่อสั่งให้กับผมไปตามรู้ทันจิตนะฮะ ช, ช่วงนั้นผมผมลดการทำสมาธิลงครับแล้วก็ตามกระทบมากขึ้นครับช่วงนั้นมีมีโทสะแรงมากครับใช่เดิมเราเพ่งไหมพอเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานตามธรรมชาตินะกิเลสก็จะแรง จะแรงว่าคนธรรมดาช่วงหนึ่งครับเพอพอกิเลสแรงมากแล้วมันมันก็มีมีความคล้ายๆกับว่าใจมันมันทุกข์มากครับเออรู้ไปแต่ว่ามันมันดูดูลงไปแล้วมันไม่หายทุกข์มันบิดเข้าไปเรื่อยเลยค่ะนี่ไงดูจะให้หายครับ <laughs> เราไม่ได้ดูให้มันหายนะอา้าวห้าหนึ่งหลวงพ่อคะลองลองไหมรู้สึกว่าโกลกวายใจคะ่ะ อืมทำไมล่ะไม่ทราบไม่ทราบอยากให้หายไหมอยากให้หายกระวนกระวายไหมล่ะค่ะเนี่ยเวลาที่ใจเราไปรู้อะไรเข้านะเช่นมันไปเห็นความกระวนกระวายก็แล้วใจเราไม่ชอบอยากให้หายเนี่ยให้รู้ทันที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ที่กระวนกระวายกระวนกระวายเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันคือไม่ชอบโกรนกระวายเนี่ยให้รู้ลงปัจจุบันเรื่อย แล้วไม่สบานูยประคองอยู่แบบค่ะประคองแต่ประคองน้อยลงแล้วมันเบาลงรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นถ้าไม่ประคองเลยใจจะไม่มีน้ําหนักตอนเนี้ใจยังมีน้ําหนักอยู่ดูออกไหมต้องปล่อยให้หมดใช่ไหมคะแล้วปล่อยยังไงคุณหลวงพ่ออย่าจงใจปล่อยแค่รู้ว่าประคองอยู่มันคลายเองบังคับมันไม่ได้หรอกนะย่สิบเชิญครั้งที่แล้วซึ่งก็หลายเดือนที่แล้ว ส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อว่าจ้าไปอะค่ะอืซึ่งรู้สึกไหมอะดีขึ้นละขนาเนี้รู้สึกไหมสบายขึ้นรู้สึกไหมจิตใจนุ่มนวลขึ้นค่ะดีแล้วลก็แต่ก็เห็นตัวเองว่าไหลาตามอารมณ์ด้วยแล้วก็มีบางครั้งอยากจะหยุดความอยากก็จะเห็นว่ามันจุกที่อกเออที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วนะแล้วภาวนาได้ดีด้วยทําไปเรื่อยๆนะเห็นไหมอยู่ๆความสุขก็ผุดโฉยขึ้นมาเองได้นะ แต่ความทุกข์ก็ยังมีเยอะต้องเยอะสิ <c oughs> ถ้าภาวนาไปเรื่อยนะจะเห็นในโลกนี้เต็มไปได้วยความทุกข์นะแต่ใจซึ่งไม่คล้องเกี่ยวกับโลกเนี่ยจะไม่ทุกข์ไปด้วยที่คุณภาวนาอยู่ใช้ได้เลยนะถ้าให้คะแนนเนี่ยคะแนนสูงมากเลยเอาข้างหลังเบอร์เจ็ดครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไปกดๆดอไว้ Hawaii ครับแล้วไงอีกแล้วก็จิตก็ไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่ครับ ดีแล้วล่ะรู้อย่างที่เขาเป็นนะยังประคองนิดหน่อยอย่างกดนิดหน่อยดีละที่รู้ที่ภาวนาอยู่ก็ได้คะแนนะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆหนึ่งสี่เจดปรับนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากถามหลวงพ่อรู้จักไ้ยใจที่ฟุ้งซ่านเป็นยังไง ร, รู้จักไหมค่ะ<อ>เคยเห็นจิตที่ฟุ้งซ่านไหมค่ะ<อ>ให้คอยรู้นะจิตเราฟุ้งเก่งค่ะ<อ>เอาว่าไป แล้วที่ปฏิบัตินี่ถูกต้องไหมคะถูกนะแต่อย่าไปกดมันจิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้ดูออกไหมค่ะมันวิ่งตลอดเวลาห้ามมันไม่ได้หรอกมันวิ่งไปวิ่งมาเราก็คอยรู้เอาค่ะเนี่ยวิ่งไปแล้วรู้สึกไหมค่ะให้ดูอย่างนี้แหละจิตวิ่งไปแล้วก็รู้จิตวิ่งไปแล้วก็รู้ไม่บังคับนะอย่าไปบังคับว่าให้อยู่นิ่ง หลวงพ่อมีแนะนำแค่นี้ใช่ไหยคะอีกเรื่องหนึ่งนะก็เวลาใจเราเกิดความอยากขึ้นมาเช่นอยากพูดอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันว่ามีความอยากใจวิ่งไปก็รู้ใจมีความอยากขึ้นมาก็รู้นะค่ะไปฝึกเอานะสองตัวเนี้ทำได้เยอะละค่ะ1 6ึ่อยู่ที่ไหนครับครับกับนัวัสนการหลวงพ่อครับเพิ่งปฏิบัติไม่นานนะครับ เวลาเดินนี้มักจะรู้ว่าหลงไปคิดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารู้ถูกรู้รู้ถูกนะใจมันเริ่มคลายตัวออกมาแล้วรู้สึกไหมมันโปร่งขึ้นครับแต่ยังมีหนักหนั ก, น, กนิดนิดนะครับออนั่นแหะเพราะเราประคองไวนะ้ที่พอนา ก, ก็ดีนะใช้ได้ไปเดินบ่อยๆเดินแล้วก็เห็นใจหลงไปคิดแวบไปคิดแวบไปคิดรู้บ่อยๆอย่าไปเดินแล้วก็ห้ามมันไม่ให้ไปคิดนะเดินรู้ไม่ใช่เดินบังคับ ถ้าเรายัางบังคับอยู่ใจเราก็จะแน่นๆอย่างตอนเนี้เราบังคับใจก็แน่นๆน่ถ้าใจแน่นๆเมื่อไหร่สแสดงว่าทาผิดละเบอร์สองหเชิญการนิรรศการพระอาจารย์ครับเมื่อปลายเดือนมกราที่แล้วพระอาจารย์ให้การบ้านบอกว่าผมยังติดเพ่งอยู่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลวงพ่อดูออกไหมล่ะดูออกครับไม่คลายออกแล้วเห็<ๆ>ถ้าเพ่งอยู่นะกี่ปีกี่ปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ พอเราคลายการเพ่งคุณรู้สึกไหมจิตใจมันทำงานตลอดเวลารเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดนี่เราเห็นไตรลักษณ์ดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันก็ปิ้งขึ้นมาจิตมันทำงานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกรนะดีแล้วละ่ะฝึกไปขอบคุณมาก2สอสเชิญอยู่ข้างๆกันนะข้างๆเกานมะัสการครับที่ฝึกมาก็รู้สึกว่าจะหลงบ่อยแล้วก็เห็นกิเลสเยอะ แต่ที่เห็นบ่อยมากที่สุดก็คืออัตาตัวตนดีสิแล้วก็ความไม่เป็นกลางเนี่ยมันเหมือนกับโดนหลอกซ้อนอีกทีหนึ่งก็ว่าบางทีเราคิดว่ามันเป็นกลางแล้วต่จริงมันไม่ใช่มันก็ยังเขวยอยู่ดีหลายๆกิเลสนะมันจะเก่งกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนนะมันก็สู้สติปัญญาไม่ได้หรอกค่อยตามรู้ค่อยตามดูไปเรื่อยนะวันหนึงก็ชนะของคุณดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวนี้บางทีมีความสึกว่า ความทุกข์เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วอย่างบางทีเนี่ยเหมือนกับญาติพี่น้องอเหมือนกับว่าป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าเสียชีวิตบางทีรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบบว่าไปกังวลอะไรกับใครมากเท่าไหร่ครับนั่นแหละดีแล้วนะรรไปแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์รธรรมะของพระอาจารย์อัศจรรย์ฝึกแล้วไม่ทุกข์เราเห็นได้ด้วยตัวเองเลยถ้าเราเปลี่ยนแปลง ถ้าภาวนาหลายปีไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะทำผิดแน่นอนเลยถ้าภาวนาถูกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางดีที่เห็นได้ชัดเลยเคยหลงมากๆก็หลงน้อยน้อยนะเคยทุกข์หนักหนักก็ทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานนก็ทุกข์สั้นๆอยนะ่างเงี้ยรู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเคยนึกว่าเราเป็นคนดีก็ได้เห็นความจริงว่าจริงๆร้ายน่าดูเลยนะเนี่ยดีมากเลยแล้วผมต้องทาสมถะเพิ่มไหมครับสมถะเราก็ทานะทาพอให้ใจได้พักผ่อน ให้ใจชุ่มชื่นถ้าไม่ทําสมถะเลยใจแห้งแรงไม่ดีครับสองหครับขอบคุณครับกลาบนมัสกนารเจ้าค่ะหลวงพอ่อคราวที่แล้วมาหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําเจ้าค่ะแล้วดูออกไหมอ่ะหลวงพ่อใส่ร้ายหรือเปล่าไม่ได้ใส่ร้ายเจ้าค่ะดูออกไหมว่าเพ่งเจ้าค่ะดูออกไหมว่ามันคลายออกเจ้าค่ะนั่นแหละต้องปล่อยให้มันคลายนะแล้วเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเพ่งลูกเดี่ยวก็นิ่งกลายเป็นของเที่ยง เพ่งดีๆมีความสุขอีกเพ่งแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้นะอยากให้หลวงพ่อขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะไปดูอีกนะใจของคุณเป็นคนทึ่รวดเร็วรุนแรงนะเพราะฉะนั้นมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรมันโมโหโทโซอะไรรู้ลูกเดียวเลยนะดูง่ายดูไม่ยากหรอกเจ้าค่ะเพราะมันเคลื่อนไหวชุบชชุบดูง่ายอ้าว5จบข้างหลังกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่มากราบหลวงพอ่อ<ม>ก็รู้สึกว่าใ<ม>นวันนี้เบาสบายขึ้นเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มีความรู้สึกว่าความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อะไรมันสั้นลง<ม><ม>แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือความจำหรือว่าเหตุการณ์อะไรมันเหมือนถูกตัดไปเร็ว<ม>จนบางครั้ง<ม>เราไม่ทราบว่า เราเราทำอะไรเราคิดอะไรอมันไม่ทราบว่านี่คือปัญหา<ย>หรือเปล่าอย่าอย่าไปกังวลมันนะแต่ถ้าเวลาที่เราจะต้องทํางานที่ใช้ความคิดใช้อะไรให้รู้เรื่องให้ต่อเนื่องเนะี่ยเราต้องตั้งอกตั้งใจคอนเซนเทรตลงไปตั้งใจนะใช้สมาธิอยู่กับงานสมาธิอยู่กับเรื่องที่เราคิดที่ถ้าเราฝึกสติมาก ม, ากมากเนี่ยมันไม่สนใจแล้วมันเห็นทุกอย่างไหววับดับวับดับมันไม่ติดในสมมติบัญญัตินะบางทีไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรด้วย ที่กำลังคิดอยู่นะสติระ ล, ลึกตั๊บก็ขาดสะบั้นไปแล้วไม่ต่อพอคิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วก็มีนะแล้วจิตมันทํางานของมันเองอย่างนั้นแหละนั้นถ้าเราต้องการคิดอะไรให้ต่อเนื่องให้รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องตั้ง อ, อกตั้งใจคิดเอานะอย่างเวลาเราจะทํางานเนี่ยต้องตั้งใจคิดให้จดจ่ออยู่กับงานไม่ใช่เวลาจเจริญสติต้อค่อยๆฝึกเอารู้สึกว่ามันมันยังผสมผสานกันอยู่ยังแยกกันไม่ออกว่าระหว่างทํางานหรือว่าระบหรือการปฏิบัติ เวลาชั่วโมงทํางานที่ต้องคิดนะตั้งใจอยู่กับงานแต่พอกิเลสอะไรไหวแว บ, บขึ้นมาสติมันจ ะ, ะระลึกได้เองต้องค่อยๆฝึกของเราไปมันจะเหมือนเรามีสวิตนะตอนนี้สับปับ๊บตอนนี้ทํางานแลตอนนี้ถอนออกแล้วใหม่ๆเป็นอย่างนะั้นแหละจะกราบขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อครับผมควรจะจะยึดอะไรเป็นวิหารธรรมดีของโยมดูจิตได้ชัดเจนนะโยมดูจิตไปครัโยมทําได้ดีด้วย เอาเหลือเวลาเล็กน้อยใครต้องการคุยได้สักคนหนึ่ง42 42เอาคนเดียวพออยู่นู่น42่เดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปฟังปฏิโมนะกข์กลับนั บ, บัศการหลวงพ่อค่ะก็ไม่สมการม า, กมาประมาณสามเดือนแล้วค่ะคืออยากจะถามหลวงพ่อว่ามันคือเมื่อวานนี้ไหว้พระสวดมนต์ค่ะก็นั่ง <ยก S 2> สมาธมิอย่างนี้หลวงพ่อนั่งสมาธินะคะเ อ, อ การในช่วงสักประมาณ1 0บถึงสินาทีคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ตัวเองเข้าใจคือเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคือคําว่าจิตรวมนะคะเพราะว่าในช่วงสักสินาทีสามารถที่จะจิตรวมได้4ี่ถึงห้ครั้งได้ไหมคะได้วินาทีหนึ่งได้หลายครั้งก็ยังได้แต่รวมแป๊บแล้วถอนรวมแล้วก็ถอนใช่ไหมค ะ, ะคือแสดงว่าเมื่อวานที่หนูจิตรวม5้ถึงหครั้งนี้แสดงว่าคําว่าจิตรวมที่หนูเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะ คือบางทีมันมันรวมทําไมบางทีมันพอรู้สึกตรวมแล้วมันต้องรู้ตัวอยู่นะไม่ใช่รวมไปขาดสตินะใช่ค่ะคืออย่างนั้นเรียกขาดสติไม่เรียกว่าจิตรวมคือเสี้ยววินาทีแป๊บเดียวมันมันคล้ายๆมันตัดการรับรู้ภายนอกนะใช่ค่ะหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่ภายในอันเดียวบางทีรู้แป๊บแล้วมันกลัวไปแป๊บเดียวนะคะ่าแล้วก็แป๊บหนึ่งมันถอนขึ้นมาก็รู้ไปใช่ค่ะคือบางทีมันก็ไปด้านหลังบางทีก็ไปด้านหน้าอย่างเงี้ยบางทีมันเอ แสดงว่าจิตรวมหนูเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ทำไมมันไปด้านหน้าด้านหลังน่ะคือมันรวมแบบยังไงรพระอาจารย์แบบอาจารย์ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะนั้นมันผังงาหน้าพังงาหลังไปแล้วไ ม, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะพรอาจารย์คือเรารู้สึกตัวนะคะถ้ารู้สึกตัวอยู่นะกายเป็นยังไงไม่สําคัญนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ใจเนี่ยมันตัดกระแสการรับรู้ภายนอกมันรวมมารู้ตัวอยู่ภายใน <c oughs> ใช่ค่ะส่วนร่างกายจะพังงาไงไม่สําคัญสําคัญที่จิตรวมเข้าไปค่ะ แล้วอยากถามพระอาจารย์เรื่องนึงคือดูเหมือนเราสบายใจแต่พอนึกถึงถึงสิ่งที่เราไม่ชอบมันเหมือนคาอยู่ในใจลึกๆนะคะอันนี้มันห้ามไม่ได้ไไดห้ามไม่ได้นะดูไปด้วย <c oughs> วันที่มันจะหายเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลของมันค <c oughs> แลเหมือนมันจะถอนเลย <c oughs> ใช่ไหมคะไอ้นี้ ห, นหายชั่วคราว <c oughs> ใช่ไหมคะคื อ, อยังคาคาหนี้ลึกๆนลยค่ะ <c oughs> ใจมันยังไม่เลิกจริง <c oughs> ค่ะกราบขาพอพระพุทธงพ่อค่ะ มันมีโมหะก็รู้เนาะเอาเชิญกลับบ้านไป